ขอโนอบนมพระตตรยขออากาศพระอาจารย์ทรงศินแล้วก็ขออากาศเพื่อนสตรีมิทุกท่านจเจรินในธรรมแม่ชีแล้วก็ยัติธรรมทุกคนพวกเราก็ได้สวดบทนะธรรมะปะา่านหะังเนาะก็เป็นบทธรรมะซึ่งมีความลึกซึง้งแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะเป็ น, นตัวนะ เวลาเราสวดมนต์เราก็น้อมเอามาใส่ตัวด้วยนะสิ่งใดที่เราปิดนะหรือเปล่านะปิดพัทธรรมไปหรือเปล่านะหรือว่าใจเราหงายออกขึ้นลองรับธรรมะแล้วหรือยังนะเราก็ลองเอาย้อนเข้ามาดูตัวนะเวลาเราสวดมนต์จะได้ประโยชน์มากๆจะเป็นบทธรรมะบทใดก็ได้แต่หรือเราอ่านหนังสือธรรมะได้ยินธรรมะ สิ่งใดก็แล้วแต่เอาย้อนเข้ามาพิจารณาดูตัวคล้ายๆเหมือนเหมือนกระจกนะเรามองดูกระจกเราก็กลับมาเห็นตัวของเราเองเราฟังธรรมนะเราสนทนาธรรมก็กลับมาเห็นตัวของเราเองการที่เราได้กลับมาเห็นตัวของเราเองเนี่ยจะทำให้เราท่องแท้แจ่มชัดนะในตัวของเราเองว่ามันเป็นเช่นไรนะ ว่ามันเป็นตัวของเราจริงไหมนะบงับงคับบัญชาได้หรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะมันมีความเป็นมามีความเป็นไปอย่างไรอะไรคือสาเหตุอะไรคือความทุกข์อะไรคือความไม่ทุกข์อะไรคือความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็กลับมามาทบทวนอยู่ตรงนี้มาเห็นอยู่ตรงนี้เหมือนยังบทธรรมปาหังที่ในตอนท้ายนะักท่านก็บอกไว้บอกไว้ว่าถ้าเรามองเห็นพ่งประโยชน์ แห่งตนก็ตามหรือมองเห็นซึ่งประโยชน์ของผู้อื่นก็ตามหรือจะมองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งของตนแล้วก็ของผู้อื่ น, นเรามองเห็นประโยชน์ตรง น, นี้ในสามด้านสมส่วนก็ตามแต่สิ่งที่เราพึงกระทำไม่ใช่มองแค่เห็นประโยชน์เท่านั้นแต่ในขณะที่เรากระทำเราก็ต้องกระทำด้วยความไม่ประมาทด้วยการที่เรามองเห็นประโยชน์ซึ่งตนก็ตามนี่คืออะไร อัผมหรือว่าธรรมาก็คิดว่าพวกเราหลายคนก็มองเห็นประโยชน์ซึ่งตนก็คือก็เลยได้ออกมาบวชเป็นพระเป็นแม่ชีหรือได้มาอยู่วัดปฏิบัติธรรมอันนี้คือเรามองเห็นประโยชน์ในการที่จะฝึกตนสอนตนพัฒนาตนให้ยิตให้ดียิ่งขึ้นไปนี่คือเรามองเห็นแล้วว่าสังคมภายนอกหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันมีมันมีเรื่องวุ่นวายใจมันมีความทุกข์ใจ หรือบางคนอาจจะคิดว่าเราก็ไม่ได้ทุกมากไม่ได้ลําบากมากไม่ได้มีปัญหามากแต่บางคนก็เห็นว่าเออมันแม่ตอนที่ผ่านมาในอดีตมันไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีความทุกข์มามากแต่มันก็มีปัญญาในการเห็นว่าต่อไปแ น, น่น้องอาจจะต้องเจอกับความทุกต้องเจอกับปัญหาที่มันหนักที่มันมากกว่า น, นี้เพราะเราเคยมาฝึกเพื่อมาฝึกหัดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น พอวันหนึ่งเราต้องแก่ขึ้นต้องเจ็บมากขึ้นหรือสุดท้ายก็ต้องตายพัดภาคจากกันและกันไปซึ่งสี่งต่างอันนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราเห็นแน่ชัดอยู่แล้วในโลกตรงนี้แต่มันเป็นการเพียงแค่เห็นคนอื่นเขาเป็นเช่นนั้นถ้าเรามีปัญญาในการย้อนกลับมามองตัวเองว่าสัากวันหนึ่งเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะเราก็ต้องแก่เราก็ต้องเจ็บเราก็ต้อง ต, องตายต้องพัดภาคสูญเสีย จากการได้กันไปพอเรามองเห็นที่นั้นเราก็ได้กลับมาตระหนักว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะรับมือกับสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าเมื่อเรามองเห็นซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจให้ออกจากความทุกข์ให้ออกจากกิเลสตัณหาได้ยิ่งขึ้นไปเราก็เลยต้องกระทําความไม่ประมาทตรงนี้ให้ถึงพร้อมให้ได้ไม่ใช่เพียงแค่คิดนะคิดที่จะทําคิดที่จะ อยากจะได้ผลแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่ลงมือกระทำสิ่งต่างๆนี้มันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นเนาะกามีความตั้งใจนะที่จะพัฒนาตนก็ต้องกระทำให้สมกับความตั้งใจตอนนี้เป็นสิ่งสองส่วนที่ประกอบกันก็คือการมองเห็นซึ่งประโยคก็คือการที่เราได้มีความเข้าใจมีความคิดมีความตั้งใจแล้วนะ แต่ส่วนของการกระทำก็เป็นส่วนที่จะทำให้ผลตรงนั้นความตั้งใจตรงนั้นมันประสบความสำเร็จนี่คือกระทำด้วยความไม่ประมาทแต่ในขณะที่กระทำก็ไม่ใช่ว่าทำไปแบบเรียกว่าลงทิศผิดทางหรือทาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวในขณะที่กระทาด้วยความไม่ประมาตก็คือกระทำอย่างมีสตินะรู้ว่ากำลังกระทำอะไรอยู่รู้ว่าทำไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรนะ ตอนนี้คือสิ่งที่เรารู้แน่ชัดว่าเออสิ่งที่เรารู้เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรทำอย่างไรเหมือนอย่างที่เรามาฝึกสติมาเจริญสตินะเรารู้ว่าการเจริญสติก็คือการกลับที่มาเรารู้ถึงกายแล้วก็ใจตามความเป็นจริงนะไม่ใช่เป็นการมากระทำแบบตั้งใจจะเอาความสงบตั้งใจจะเอาแต่สมาธิ ตั้งใจจะเอาความบ้างอย่างเดียวไม่ใช่อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องของการเจริญสติการเจริญสติคือการกลับมารู้ตามความเป็นจริงนะนะความเป็นจริงเกิดขึ้นกับกายอย่างไรความเป็นจริงเกิดขึ้นกับใจอย่างไรเราจะรู้ตามความเป็นจริงอันนี้คือถ้าเราดูการเจริญสติเขาทำแบบนี้นะแต่การเจริญสมาธิหรือสมาะเขาเอาความสงบเขาเอาความ ตั้งมั่นของจิตเป็นหลักอันนั้นก็คือเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะ า, าการเจริญสติหรือการเจริญวิปัสสนาคือการตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอารมณ์ความคิดสิ่งต่างเกิดขึ้นจะเป็นภายนอกหรือภายในเราไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ผลักไสแต่ก็ไม่เข้าไปเป็นกับเขาเช่นเดียวกันนะสิ่ง ต, งต่างภายนอกจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราน้อมมาดูกายแล้วก็ใจ ว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเช่นตาไปเห็นรูปจะสวยไม่สวยหรือจะเฉยเราคอยกลับมารู้ทันว่าตาเห็นรูปเมื่อรู้ทันว่าตาเห็นรูปแล้วบางทีก็เกิดอารมณ์เกิดขึ้นในใจเราก็คอยตามรู้ตรงนั้นเกิดต่อไปหูกระทบเสียงจะเป็นจากการทำงานหรือจากการแ ว, วเข้ามาจากการสนทนากันก็มา เราจะรู้ถึงเสียงที่ได้ยินรู้ความหมายที่เกิดขึ้นรู้ทันถึงจิตใจที่มีปฏิกิริยากับเสียงที่ได้ยินตรงนั้นต่อไปอ น, นี่คือเราคอยกลับมาลึ ก, ล ก, ลกได้รู้ถึงกายแล้วก็ใจตามความเป็นจริงอันนี้คือการที่เราทำความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นภายในจิตใจก็คือการที่เราไม่ให้อกุศลเข้างอกงามนั่นแหละนะอกุศลที่เกิดขึ้นนะ มันไม่ใช่เกิดขึ้นจากตาหัวจมูกเลี้ยงกายใจหรอกนะแต่ตาหัวจมูกเลี้ยงกายใจเป็นเพียงแค่เท่าวานหรือเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วนะตัวกิเลสมันหมักหมมมันก่อตัวขึ้นมาได้หรือกันมันจะเริญเติบโตขึ้นมาได้เนื่องจากเราไม่รู้เท่าทันเขาแน่แะนะเนื่องจากเราปล่อยให้เขางอกงามยิ่งขึ้นไปนะ เราก็ต้องเรียกว่ากลับมารู้ทันเขาให้เร็วนะถ้าเรารู้ทันเขาไม่เร็วมันก็เผาไหม้จิตใจให้เกิดเป็นความทุกข์ใจเหมือนกับไม้ขีดหนึ่งก้านนะหรือไฟแช็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันไหม้นะมันติดเชื้อเพลิงขึ้นไปมันก็ไหม้เรือนหลังนี้ได้ทั้งหลังนะไม้ขีดหนึ่งก้านก็สามารถไหม้เรือนหลังนี้ได้ถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยพร้อมนะ ถ้ามันเราปล่อยให้เรือนดังนี้มันไหม้เป็นเท่าทานไฟมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เสียหายไปเหมือนกับบางคนก็จะลึกจะรู้อยู่ว่าบางทีความทุกข์บางทีความโลภถ้าปล่อยมันไปสักพักเดี๋ยวมันก็ดับมันก็หายไปนั่นแหละเดี๋ยวมันก็หมดไปนังนแหละแต่บางทีขณะที่เราปล่อยให้มันหมดไปเองหรือว่าให้มันดับไปเองหายไปเอง แต่ในขณะที่ก่อนที่มันจะดาบตรงนั้นบางทีมันก็ทำให้เราต้องทุกข์ใจทำให้เราต้องกระทำตามใจของมันนะเกิดทุกข์เกิดโทษ ก, กับตัวของเราเองก็ดีเกิดทุกข์เกิดโทษ ก, กับคนอื่นก็ดีนะเหมือนกับเราโกรธอ่ะเราก็รู้ว่าความโกรธสักพักมันก็หายไปแหละแต่ขณะที่เราโกรธเราก็เผลอไปดา่าเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีมากมายแต่การที่เรากลับมารู้กายรู้ใจของเราอย่างรวดเร็วนะ กับไฟมันไหม้ขึ้นมานิดนึงเรารู้แล้วว่าไฟมันไหม้เรารู้แล้วว่าใจเราโกรธเราดับลงได้ทันทีดับตรงนี้ไม่ใช่เป็นการข่มแต่เป็นการรู้ทันอย่างความเป็นจริงเห็นว่าความโกรธมันเกิดขึ้นกับใจแต่ความโกรธไม่ใช่ใจนะเห็นบางทีบางทีก็เห็นเวลามันโกรธแล้วใจมันสั่นเออใจมันเรียกว่ามันอึดอัดไม่สบายกายแล้วก็ไม่สบายใจนะ มันก็เห็นอ้อเห็นอาการของกายมันเป็นเช่นนั้นอ้อรู้แล้วว่าอาการของกายเช่นนี้มันคือสภาวะที่มันโกรธนี่เองอ้อเมื่อเห็นแล้วเห็นว่าอาการของกายเป็นเช่นนั้นแต่ผู้เห็นเป็นผู้ดูอยู่ต่างหากไม่ได้เข้าไปเป็นกับอาการตรงนั้นความโกรธก็ดับลงไปต่อหน้าต่อตานะหรือบางทีเราเห็นเลยนะเวลาเราไปเห็นขนมเห็นสิ่งของเอาง่ายๆเช่นเรา พิจนาอาหารในทุกตอนเช้าเนี่ยเออบางทีเราก็รู้สึกนะว่าเราก็เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายสบายแต่บางทีเร า, า, เราสังเกตเห็นบางทีบางวันนี่มีอาหารแปลกๆเข้ามานะมีอาหารที่เหมือนมีราคาตั้งแต่ก่อนเราก็สามารถหาซื้อหามาได้นะแต่พอมาอยู่วัดบางทีไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้กินสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อมีสิ่งต่างเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอ้อ ใจมันพุ่งไปหาตรงนั้นเลยตั้งแต่ก่อนที่จะเดินไปตักนะเลงไว้แล้วว่าฉันจะหยิบให้ได้นะอย่ามาปาดหน้าฉันนะอะไรเนะี้ยมันก็เห็นเลยว่าโอ้กิเลสมันมันดอกร่อที่ใจทันทีเลยมันพุ่งเป้าไปทางนั้นในขณะที่เห็นใจก็จอดจอกับสิ่งนั้นนะก็รอที่จะมาหยิบมาจับมาตักหรือมากินต่างๆนะเนะี่ยเราก็เห็นเลยว่าโอ้บางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆต่างๆนะ ถ้าเราเห็นเท่าทันจิตใจของเรานะีมันจะเป็นเรื่องที่ที่สนุกนะไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะไม่ใช่เอาผิดเอาถูกหรอกแต่มันสนุกนะในการกลับมาเห็นกิเลสมันเกิดขึ้นนะกับใจแต่สิ่งที่สนุกมากกว่านั้นคือว่าเห็นว่ากิเลสมันไม่ใช่ใจนะมันเป็นสิ่งที่แค่จรเข้ามากับใจเท่านั้นนะจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความคิดฟุ้งซ่านจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ มันก็เป็นเพียงแค่อาการหนึ่งของใจนะอาการหนึ่งของจิตแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่จิตมันเป็นแพรยความคิดความหลงชั่วข่าวเท่านั้นเนะีเราย้อนกลับมาดูมาเห็นต่างต่างลนะแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอมันเป็นแบบนั้นของมันเองนะแท้ที่จริงแล้วใจที่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรเลยแท้ที่จริงแล้วใจมันเป็นปกตินะใจมันเป็นความว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนนะ เป็นความเป็นปกติเป็นจิตประพัฒสอนอยู่แล้วเนะี่ยเราก็กลับมาเห็นอาการตรงนี้ของใจมันก็จะทําให้เราไม่วันไหวไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกจะเห็นเลยว่าอารมณ์ไม่เป็นเพียงแค่สิ่งภายนอกนะมันเกิดขึ้นอยู่ข้างในก็จริงแต่มันก็เป็นสิ่งที่นอกอีกชั้นหนึ่งที่มันไม่ใช่ใจเดิมแท้ไม่ใช่จิตปกติเนี่ยเราก็กลับมาเห็นตรงนี้แต่สิ่งต่างเนี่ยก็คือเริ่มจากการที่เราได้มาฝึกหัดตามหลักที่ถูกวิธีนะ สติประทาน4นะก็ในส่วนตัวความเห็นของผมก็ใครถนัดวิธีการอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นจากการดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมจะปฏิบัติใดรูปแบบใดก็แล้วแต่แต่แท้จริงแล้วทุกสิ่งทอย่างมันก็รวมลงมาเป็นจุดเดียวกันนะแต่จุดเริ่มต้นหรือสิ่งที่ถนัดหรือสิ่งที่สามารถสัมผัสได้เบื้องต้น มันก็เป็นเรื่องที่เฉพาะตนขึ้นไปนะเราจะดูการเคลื่อนไหวของกายก็ขอให้เป็นผู้ดูจริงๆเห็นการเคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งใจที่ดูการเคลื่อนไหวก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือการรับรู้หรือการจะดูเวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือความเฉยที่เกิดขึ้นกับจิตก็เห็นว่าเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจิตที่มีสติเป็นผู้ดูก็เป็นส่วนหนึ่งหรือจะดูอ่า จิตก็ดีนะเราก็เห็นว่าอาการผลจิตที่เกิดขึ้นจะเป็นความฟุ้งซ่านจะเป็นความสงบนะจะเป็นความโลภความโกรธความหลงจะหรือจะเป็นจิตที่เป็นปกติก็ดีก็เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะผู้ผู้ดูผู้รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะหรือจะดูกระบวนการธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เห็นว่าอ๋อกระบวนการมันไหลไปเช่นนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยมีหนึ่งสสามสีห้าไปอย่างนั้นนะสติเป็น หน้าที่เป็นผู้สังเกตการเป็นผู้เห็นปรากฏการต่า ง, างมันเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการเช่นนั้นอันนี้แหละคือการที่เราเห็นกลายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงเมื่อเห็นแล้วมันถอนความไม่พอใจอ่หรือถอนความพอใจและความไม่พอใจในอาการต่างๆเ่านั้นออกไปได้เมื่อมาเห็นอย่างแท้จริงแล้วอาการความโลภความโกรธความหลงี่งต่างมันตกลงไปตอหน้าต่อตานั่นแหละคือเราเห็นอย่างแจ่มชัด เห็นงแจมแจ้งว่าเป็นเช่นนั้นเองนะล้วก็ดูตรงนี้เข้าไปให้นึกอันนี้ประโยชน์ของตอนของเราก็จะเรียกว่าสมบูรณ์ขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะมันพัฒนาขึ้นมันไกลออกจากกิเลส ข, ขึ้นเรื่อยๆกิเลสมันร่วงตกลงต่อหน้า ต, ต่อตาได้เห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆกิเลสมันดับลงไปได้รวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เมื่อเราฝึกหัดแล้วเนี่ยจะคือผลที่มันเกิดขึ้นนะ มันเกิดขึ้นเป็นเช่นนี้แหละนะแต่เราอย่าไปคิดว่ามันจะไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่เกิดความทุกข์นะเราบังคับไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราสามารถฝึกหัดหรือว่ากระทําได้ก็คือเรารู้ทันเขาได้เร็วเขาก็อยู่กับเราได้นได้ไม่นานหรือว่าเขาก็จากไปอย่างรวดเร็วอันนี้แหละคือสิ่งที่เราฝึกหัดได้แต่การ ที่จะให้เขาดับไปตกไปก็ไม่ใช่เป็นการที่เรียกว่าเป็นจิตที่รังเกียจเดียดฉันเขานะเปเกิดจากการดูเท่าทันอย่างเป็นจริงว่าถึงต่างหนั้นมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่อาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นจะเป็นความสุขก็ไม่ได้อยากจะยึดเอาจะเป็นความทุกข์ก็ไม่อยากจะผักใสรังเกียจเดียดฉันเข้าไปจะเป็นความเฉยเยเป็นความว่างว่างเป็นความวางว า, วาง ก็ไม่ใช่จะไปสนิบแนบแน่นเช่นนั้นก็เห็นเป็นเพียงแค่อาการเช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยคือจิตที่เป็นปกติก็เพียงทำเพียงแค่หน้าที่เป็นเพียงเพื่อผู้รู้ผู้ดูอาการเฉยๆเท่านั้นแล้วก็ดูไปเช่นนั้นนะหรือเมื่อเราเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวของเราเองเราก็เห็นเพื่อนมนุษย์เห็นสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่มีความโลภความโกรธความหลงที่มีความทุกขนะ์ที่ถ้าไม่รู้สิ่งต่างๆอันนี้ต้องกลับมาเวียนไหว้ไทยเกิดต้องม า, มาทนทุกข์อีกไม่รู้กี่กลับกี่กันแล้วก็มีจิตที่เป็นพรหมมิหารมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคิดจะช่วยเหลือเขาต่างๆนั้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะตามที่เราเข้าใจตามที่เรารู้นะตั้งจิตที่ปรารถนาที่จะช่วยให้คนอื่นเขาออกจากความทุกข์นะ โดยการเทศโดยการสอนโดยการพูดโดยการกระทําโดยความปรารถนาดีก็ทําได้ตามหลา ย, ลายวิธีห ล, หลายโอกาสหรือแม้แต่เราก็สามารถใส่ไปตามโอกาสที่เราทำก็ได้นะอย่างแม่ทีแม่ครัวหรือบางทีแม่ออกบางคนใช่ไหมก็ช่วยใส่ความปรารถนาดีของเราไปกับการทาอาหารกับการเตรียมอาหาร หรือเนะี่ยเราก็เห็นผู้สูงอายุของเราหลายคนไม่ได้ไปทําที่ครัวก็ทําที่ดานหินโค้งตรงนี้นะปอกห้อมปอกกระเทียมเตรียมสิ่งต่างๆ่างนะก็ทําด้วยความใส่ใจนะทำไม่ใช่ทําไปเพราะว่าอยากจะให้มันเสร็จไปนะแต่เราใส่ใจที่จะทำนะการใส่ใจที่จะทำนะเราก็มีสมาธินะทำไปก็มีสติในการรู้ทันกายและก็ใจตามความเป็นจริงด้วยอันนะั้ คือเราก็ได้ทั้งประโยชน์ตนได้ประโยชน์ทั้งกับคนอื่นด้วยนะีเราใส่ใจนะไม่ใช่เห็นว่างานเป็นสิ่งที่เป็นภาระไม่ใช่เห็นว่างานเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้เราเสียเวลาไม่ใช่เห็นว่างานต่างๆไมเป็นงานชั้นต่ำเนอะันมีเงินมากกว่านี้ชันเคยทำหน้าที่มีเงินเดือนมีตำแหน่งมีคนนับถือมากกว่านี้ทำไมมาวันนี้ฉันต้องมาทำงานเช่นนี้ด้วย ต้องมาทํางานครัวต้องมาทํางานเหมือนกรรมกรต้องมาทํางานใช้แรงงานเหรอบางทีเนี่ยกิเลสมันหลอกมันหลอกตัวของเราเองอย่างตัวกับผมเองตอนบวชใหม่ใหม่ก็เคยนะโอ้มันก็มีกิเลสมาหลอกนะมีวันหนึ่งได้ตักส้วมนะอ่าส้วมมันเต็มส้วมมันตันนะเราก็หรือบางทีก็รากไม้ก็มาอุดตรงท่อแต่ก่อนเป็นท่อใหญ่หินนะต่อระหว่างโถซ้วมที่มันเนี้ยก็ ต้ามาเรียกว่ามาดึงรากไม้ออกต้องมาตักส่วมออกกิเลสมันก็มาหลอกทันทีเลยว่าโอ้เราเรียนจบมามาทำแบบนี้เหรอไม่นะมันก็มาหลอกให้เราไม่อยากทำหลอกให้เราหังเกียดตงานต่างๆเห่นั้นโอ้ก็เห็นเลยหรือบางทีบางอย่างเอ้ยวันวันว น, นึงพระไม่เห็นได้ทำอะไรเลยวินทบาทกวาดดานวัดอะไรต่างเอ้ยเราจะมาทำแค่นี้เองเละกวาดดานวัดเหมือนเป็นงานที่เหมือนไม่ได้ มีคุณค่ามีอะไรเลยแต่แท้จริงแล้วพอเรากลับมาเห็นว่าโอ้อที่จริงกิเลสมันหลอกนะมันหลอกว่าเราดังเกียรตงานมันหลอกให้มาเราแบ่งงานงานต่ํางานสูงโอ้แต่ที่จริงแล้วกิเลสมันมาหลอกถ้าเราได้ทํางานที่มันดูเหมือนสูงมีคนนับหน้าถือตาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าจูตามันบอกให้เราหลงว่าเราภูมิใจให้เราสุขใจนะกิเลสมันหลอกถ้าเราทํางานเหมือน งานตามๆงานกรรมกรล้วบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำหรือคนที่ไม่มีการศึกษ า, าก็ทำมันก็หลอกให้เราภูมิใจให้เราเรียกว่าไม่ภูมิใจตัวเองแต่แท้จริงแล้วถ้าเราเห็นว่างานต่างๆนะอ้อมันเป็นการขัดเกลา่อจิตใจเราได้ทำงานอะไรก็แล้วแต่ตามหน้าที่ตามโอกาสตามเหตุปัจจัยอันนั้นแหละถือว่างานต่างๆนะอ้อมันเป็นเรื่องที่เราได้ขัดเกล่ตัวเอง จะเป็นการทำงานที่ใช้แรงนะไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ความคิดมากเออมันก็เป็นการดีสิแล้วก็มองเป็นแง่ดีดีสิเราจะได้ตามรู้กายได้ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้การพิจารณามากแล้วก็ตามรู้กายของเราสนุกสนานไปเรื่อยกวาดดานวัดวอ้อก็สบายดูกายที่มันเคลื่อนไหวในการกวาดไปทางซ้ายไปทางขวาเออก็ดูไปเออก็สนุกเพลิดเพลินไป ทำงานหั่นผักแล้วอ๋อปอกผ ล, ลไม้แต่เออก็ดีเนาะแล้วก็มีสติในการจับมีดในการปอกผ ล, ลไม้นะหรือบางทีกิเลสเกิดขึ้นอาดมเกิดขึ้นในใจก็คอยรู้ทันใจไปด้วยอ้อมันก็เห็นกายเขาก็ทําของเขาไปเช่นนั้นแล้วก็รู้ทันใจที่มันเกิดขึ้นไปด้วยนะเนี่ยก็เห็นว่างานต่างๆเป็นการฝึกขัดในการตามรู้กายไปด้วยนะ หรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ทํางานที่ต้องใช้ความคิดในการสอนในการกระทําต่างๆเราก็เห็นอ๋องานต่างๆนี้มันก็เป็นหน้าที่เฉยเนอะเออล้วก็ทําไปไม่ใช่ว่าเราจะดีจะเด่นอะไรจะดังกว่าใครแต่เราทําไปตามหน้าที่ที่ได้โอกาสเท่าต่างๆที่นั้นก็แค่นั้นเฉยเฉยก็ทําไปไม่เอาความลําพองผยองตนให้เสริมขึ้นไปนะัเราก็เห็นว่าอ๋อิ่งต่างๆงานต่างๆนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งกลับตัวของเราเองด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มองเห็นประโยชน์ในการฝึกขัดจิตใจของเราเองดังนั้นบางทีเราก็เอางานต่างๆนะที่ตามโอกาสตามมอบหมายนะในการกระทำให้ในการกลับมาศึกษากายแล้วก็ใจของเราเองนะแต่สิ่งที่ระวังก็คือบางทีบางทีเราทำกรรมฐานบางทีก็จะเห็นดนะ้ว่าบางทีใจเราดิน้นอยากจะไปทางานนะบางทีเดินจงกรมละเออบางที นั่งปฏิบัติอยู่บางทีเห็นนะเห็นเพื่อนไปทํางานในใจมันอยากจะไปละทั้งทั้งที่บางทีเขาไม่ชวนเราบางทีเขาให้โอกาสเราในการที่จะอยูนะ่ในกรรมฐานนะแต่ใจเรามันไม่อยากอยู่มันอยากจะออกจากดูเดินจงกรมอยากจะไปทําอย่างอื่นมากกว่านี่ย อ, อันนี้ก็เป็นกิเลสมันดอกเหมือนกันนะบางทีพระแม่ชีหรือว่าโยมบางคนบางทีบอกให้ บางช่วงเก็บอารมณ์นี่โอ้มันอยากจะทำงานนะแต่ช่วงทำงานนี้อยากจะเก็บอารมณ์มีไหมอือ ม, มันเป็นแบบนั้นนะได้ทำอย่างหนึ่งแต่ใจไม่ค่อยอยากจะทำอย่างที่มันอยากจะทำหรอกมันเป็นเช่นนั้นสมมติบางคนเห็นมีพระบางรูปท่านพูดเลยอ้เดินจงกรมอยู่ดีได้ยินเสียงรถติ๊กวิ่งผ่านเห็นเพื่อนนั่งอยู่ในรถนี่ใจมันอยากจะกระโดดไปกับรถไปกับเพื่อนละนะมันอยากจะไปทางานกับเพื่อนลนะ มันก็เห็นไม่ใช่ว่าทำงานมันผิดหรือไม่ผิดแต่เราต้องมาดูตัวเองว่าตอนนี้เราตั้งใจจะทำอะไรนะสมมุติอตอนกลางวันเราตั้งใจจะเดินจงกรมตั้งใจจะยกมือเราก็ขอให้เราได้ตั้งใจทำตรงนั้นอะถ้าเราไม่ได้ตั้งใจทำนั้นมันก็เป็นการผิดสัจจะผิดสัญญากับตัวของเราเองใช่ไหมเมื่อเราผิดสัจจะผิดสัญญากับตัวของเราเองความโทษสิ่งที่ มันก็จะระบายมันก็จะโทษตัวเองว่าเราทำผิดว่าเราไม่ได้รักษาสัจจะไมไ่รักษาสัญญานะ่เราก็ต้องทำต่างๆนี้แต่ถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยมีครัวาจารขอร้องมีงานมีงานที่มันจำเป็นเร่งด่วนเออเราก็ไปทำทำเพราะไม่ไมใช่ว่าเห็นว่างานเป็นภาระแต่ทำว่าเออมันเป็นโอกาสที่มันมันจอนเข้ามาแล้วก็ใส่ทาอย่างมีสติออไม่ได้ทำด้วยความขาดสติน่ะ เนะี่ยเราก็ต้องฝึกต่างๆเนี่ยคือเนี่ยคือการที่เราทำประโยชน์ของตนให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาททำประโยชน์ของคนอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเช่นเดียวกันนะเป็นงานส่วนรวมเป็นงานทำให้กับใครก็ได้แต่เราก็ทำด้วยความใส่ใจทำด้วยความตั้งใจทำด้วยใจที่มีสติเนี่ยประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นนะที่จริงนะักปฏิบัติ ท, ทาแล้วแท้จริงแล้วไม่ใช่คนที่ ขี้เกียจแน่นอนนะผมก็เชื่อเช่นนั้นไม่ใช่คนที่ขี้เกียจไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวแน่นอนนะเพราะว่าเราทำเพื่อละความโลภความโกรธความหลงละกิเลสตัณหาละสิ่งต่างอันนี้ออกไปจากใ จ, ใจิตใจแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันจะกลายเป็นความขี้เกียจเป็นความเกียดค้านได้ง่ายเราจะเป็นคนที่หลีกหนีอารมณ์เป็นคนหีกนีผู้คนหลีกหนีการงานได้ง่าย หรือบางทีทําไปแล้วก็ทีก็คิดแต่จะเอาแต่ตนอย่างเดียวก็มีแท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้ตั้งใจมาทําเช่นนั้นหรอกแต่บางขณะที่เราเผลอรเราหลงมันก็เลยเผลอไปเช่นนั้นทั้นผู้พระเจ้าก็ได้บอกว่าเนี่ยเมื่อเรามองเห็นทึ้งประโยชน์ตนมองเห็นทั้งประโยชน์ผู้อื่นหรือมองเห็นทึ้งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ตามเราก็ต้องกระทําอย่างการมีสติก็คือให้ประมาทเมื่อเรามีสติเราไม่ประมาทเมื่อนั้นแหละมันจะเกิดประโยชน์ทั้งสมบูรณ์ทั้ง สามส่วนเลยนะประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ได้นะตอนนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้สมบูรณ์ครบถ้วนมากนะและสิ่งที่เราฝึกนี้ก็เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ครบถ้วนมากแล้วนะถัาอยกที่เราฝึกก็ขอให้ได้ตั้งใจทําเช่นนี้แหละนะตั้งใจทําอยู่ทุกขณะเนาะเรามีความตั้งใจแล้วก็ขอให้เราได้กระทำสมกับที่เราได้ตั้งใจ ได้มาบวชแล้วนะจะ ก, กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามนะจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือจะเป็นแม่ขาวพ่อขาวที่มายุวัดปฏิบัติธรรมก็ดีนะให้เราได้ทําตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่นี้เป็นการเรียกว่ามารับหน้าที่นะต่อจากพระพุทธเจ้านะาเป็นการรับหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อมานมา มาเรียกว่ามานิมนต์ขอให้ท่านปรินิพานไปท่านก็บอกว่ารอให้พุทธบริษัทของเรามาสมบูรณ์ก่อนแล้เราค่อยจะไปดังนั้นเมื่อ45ปีหลังจากที่มารมาอารัตนานิมนต์ท่านเออไม่ใช่ท่านก็เลยรับปากนะหลังจากศาสนาตั้งมั่นมา45ปีเพราะว่าท่านเห็นว่าพุทธบริษัทสมบูรณ์พอสมควรแล้วท่านก็เลยวางไป อายุพุทธศาสนาก็ร่องโดยมา2600ปีแล้วถึงตอนนี้ขอให้วันนี้เราได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดศาสนาอย่างแท้จริงเอาใจเอากายของเราเนี่ยเป็นการสืบทอด พ, พุทธศาสนาพุทธศาสนาคือเรื่องของอะไรคือเรื่องของจิตพุทธคือเรื่องของจิตที่มีธรรมะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้เอาชาตินี้เอาวันนี้เลยนะไม่ต้องไปรอตอนไหน เอาให้จิตมันเบิกบานตอนนี้ใครง่วงนอนรู้ตื่นออกมาทันทีไม่ใช่ไปจมกับความง่วงนอนนะใครคิดฟุ้งซ่านตื่นออกมาจากความคิดฟุ้งซ่านทันทีนะใครจมกับความสุขจมกับความสงบตื่นออกมาทันทีอันนี้คือจิตพุทธะมันตื่นขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้นะที่นี่ด้วยนะไม่ต้องรอที่ไหนนะรู้ทันแล้วก็ตื่นออกมาทันทีอันนี้คือสิ่งที่ กระทำทันทนะีเมื่อเรากระทําทันทีนี้แล้วก็กระทําบ่อยๆกระทําจนเป็นนิสัยความเป็นพุทธความมีธรรมะความสว่างสวัยก็เกิดขึ้นกับจิตกับใจตลอดเวลาเนะี่ยมันเป็นการกระทําที่เรียกว่าสืบทอดอายุพุทธศาสนาเป็นการเข้าถึงความจริงที่แท้จริงของโรคใบนี้นะอย่างแท้จริงตื่นออกมาจากความโลภความโกรธความหลงอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่เรากระทำนะตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง ตามคำสอนของหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่เรานับถืออย่างแท้จริงดัง น, นั้นจิตของเราก็เข้าถึงความจริงอย่างแท้จริงด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่สําคัญแล้วก็คงฝากไว้กับผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้นะต้องฝากให้พวกเราทุกคนกระทำนั่นแหละนะเมื่อเรากระทําตรง น, นี้ดีแล้วโอ้วัดวาอารามของเราก็จะเป็นวัดวาอารามที่เรียกว่ามีผู้ที่เรียกว่าเข้าถึงธรรมะกันหลายคนหลายท่าน บางคนสอนธรรมะจากการเทศการสอนการอบรมบางคนสอนธรรมะจากการทำงานครัวบางคนสอนธรรมะจากการทำงานก่อสร้างบางคนสอนธรรมะจากการอยู่ที่พักนะเดินจงกรมยกมือสร้างยังบะหรือนั่งยิ้มยิ้มสบายๆวนนีย <i> ก็เป็นการสอนธรรมะได้ทุกที่ทุกทางคนเข้ามาในวัดมาเห็นที่โรงครัวมีความสงบมีความเรียบร้อยมีความสุขในการทำงานครัว อ้อกัอันนี้แหละก็เห็นนะว่าเออธรรมะเป็นเช่นนี้มาที่ลานจงกรมมาเห็นคนเดินจงกรมคนนั่งยกมือเออเห็นเขาสงบเห็นเขาเรียบร้อยไม่ฟุ้งซ่านไปอันนี้ก็เป็นการสอนธรรมะเห็นแม่ออกกําลังนั่งทํานั่นทํานี่ด้วยการที่มีความสุขมีความสงบมีสติอยู่อันนั้ก็เป็นการสอนธรรมะนะเห็นต้นไม้เห็นใบหญ้านะมีคนดูแลรักษาเออก็เป็นการสอนธรรมะได้ทั้งนั้นเนี่ย แล้วก็ให้เห็นสิ่งต่างเนี่ยเป็นการให้พวกเราเป็นคนที่สอนธรรมะกันทุกคนนะใช้จริงแล้วเมื่อเราสอนตนเองได้ดีมันก็เป็นการสอนคนอื่นตามไปด้วยนะเริ่มต้นจากการสอนตนเองนะเตือนตนเองสอนตนเองนะแล้วก็พัฒนาตนเองขึ้นไปมันก็จะเป็นการสอนคนอื่นเตือนคนอื่นพัฒนาคนอื่นไปพร้อมกันไม่ใช่ว่าไปที่หลังหรอกมันไปพร้อมกัน ถ้าเถี่ยไปพร้อมกันทีเดียวเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราก็ทําได้เนาะไม่ต้องรอไม่ต้องรอใครนะไม่ต้องรอครูบาอ า, าจารย์มาจิบมาจ้าจี้จ้ำชัยเอาตัวของเราเองแบบ จ, จ้าจี้จ้าชัยตัวของเราเองให้ได้นะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูอาจารย์ของเราให้ได้นะเป็นกระจกที่สะท้อนกลับมาดูกายและก็ใจของเราให้ได้เนะี่ยดูทุกสิ่งทุกอย่าง แม้บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องขัดหูขัดตาแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องขัดใจของเราเองนี่แหละนะดูลงมาถึงที่ใจเลยว่าอ้อมันขัดใจเห็นคนนั้นคนนี้บางทีก็มีความหลงมาบ้างนะก็อย่าไปถือสาอหรือว่าหาเรื่องหรือว่าผูกพยาบาทกันเลยนะก็เห็นเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาคนหลงก็เป็นเช่นนั้นเองเนาะก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะ กระทบกระทั่งกันบ้างเนื่องจากอยู่กันมากกออ็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะรู้ทันกายรู้ทันใจของเราก็ไม่ถือสาหาเรื่องกันแล้วเพราะว่ามันก็ผ่านไปแล้วนะเขาพูดเมื่อกี้มันก็ผ่านไปแล้วก็จบไปแล้วที่เราทุกข์เพราะเราเก็บมาคิดที่เราทุกข์เพราะเราไปถามว่าทำไมก็ททำเช่นนั้นทำไมเขาพูดเช่นนั้นแล้วเราไม่ ด้วยกลับมาถามใจของเราเองว่าแล้วทำไมเราต้องเก็บมันไว้ด้วยต้องแบกมันไว้ด้วยต้องถือไว้ด้วยก็วางไปสิตอนนี้เราสามารถรู้สึกตัวได้นี่ตอนนี้เราสามารถเป็นปกติได้นี่เนี่ยก็ไม่ได้มาด่ามาว่าเรานี่แล้วก็อยู่กับการเจริญสติออดูกายมันเคลื่อนไหวรู้เท่าทันใจที่เกิดขึ้นสินี่ยเราก็สามารถมีสติได้ทุกที่ไม่ต้องมีข้ออ้างไม่ต้องรออะไรอันนี้ สิ่งต่างเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากจากการที่เราได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้เนาะก็ขอให้เราได้ใช้ที่วัดปา่าสุกโตแห่งนี้นะเป็นที่ที่เราได้ฝึกหัดกายแล้วก็ใจเพื่อให้เข้าถึงธรรมะแล้วก็เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้คนแก่สัปปสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงธรรมะนะมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็ประโยชน์ต่อโรกอย่างแท้จริงนะก็ขอให้ทุกท่านได้จะเดินใน ทานศีลภาวนาได้จะเดินจะเข้าถึงมรรผลนิพพานนะในปัจจุบันตอนนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเธอ